ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระเรียส่งเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อขอโมทนากับคณะครูอาจารย์และก็ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการที่จะมาเจริญกุศลคือกิจกรรมในเรื่องของการที่เราได้มาร่วมกันในการที่จะ แสวงหาวิชาความรู้ทางด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไปปรับในการที่จะใช้กับชีวิตของเราจริงนะให้ได้ให้ได้ประโยชน์เม mm ื hmm. ่อสักครู mm ่ก็ฟังทางด้านสมมนเณีได้กล่าวในรายละเอียดว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายของของโรงเรียนใช่ไหม mm hmm. ก็นั่งคิดเหมือนกันว่า ไอ้โรงเรียนก็ตั้งมาตั้งนานทำไมเพิ่งองบรมเป็นเรือสุดท้ายก็ไม่คิดหรือพวกเราคอยอะไรกันก็ไม่รู้ก็นั่งคิดนีหรือหรืออาจจะมีเหตุการณ์ใดๆนยะหรือก็เลยคิดไปคิดมาก็คงจะนึกว่าสงสัยจะคอยให้สมเูรณบวชทนะึง <c oughs> ก็เลยก็เลยเออเป็นเรื่องที่แปลกดีสรุปแล้วก็คือเราได้มีโอกาสและมาพบเจอ แต่สิ่งที่ปรารถนาและต้องการอยากจะให้เราเนี่ยได้ตั้งจิตให้ชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะมาศึกษาปฏิบัติตามแนวของศึกขาสามที่เป็นวิชาของชีวิตเนี่ยนะที่จะทำให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยนะก้าวเข้าสู่ความรู้แล้วก็ความจริงที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความตั้งใจค่อนข้างมากหน่อย ให้ความตั้งใจเลยเออตรงนี้ปกติเนี่ยในกรณีอย่างการที่เราจะมาสืบคน้นหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการที่ในเรื่องคําสอนเนียนะตรงนี้ก็คือต้องการชี้ประเด็นให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสักครู่สมบเนียนพูดในเรื่องของคําว่าโรงเรียนบรรจงรัฐขอย้ําตรงนี้นิดนึงก็คือว่าที่บรรจงที่ใช้คําว่าการกระทํามันประณีต การกระทำที่ดีงามการกระทาที่บรรจงก็หมายถึงความตั้งใจการตั้งใจนั่นแหละมันถึงการกระทาที่ประณีตการกระทาที่ดีมันถึงออกมาแต่พอ ร, รัตนานี่ท่านขับเน้นไปที่แก้วสามประการทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของแก้วสามประการกับกลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าแก้วสามประการที่สูงสุดจริงๆท่านขับเน้นตัวพระรัตนตรยัย ตัวพระรัตน์ไตรก็คือพุทธรัตน์ธรรมรัตน์และก็สังขรัตน์แต่ว่าเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นแก้วสามประการที่จริงท่านขับเน้นว่าวิธีการจะเทียบว่ารัตน์เนี่ยประเสริฐอย่างไรรัตน์ตรงเนี้นะให้สังเกตดูคําว่ารัศ น, นะนะจะมีรอเรือไม่หันอากาศตอ่อเต่าแล้วก็นอนหนูแต่ใส่ไม้กระรันเข้าไว้แล้วอ่านเป็นบรรจงรัศน์ที่จริงก็มาจากคาว่ารัต น, น์นั่นแหละก็ ถ้ามองตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่าคําว่ารัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพุทธรัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างไรพุทธรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าอีเมื่อพุทธรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยเราจะตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพุทธรัตนะเนี่ยได้ไหม ทำไมจึงเราไม่สามารถที่จะตั้งความเชื่อมั่นในพุทัตนาฏัยไม่ได้ทำไมเราสาักไม่สามารถที่จะทำได้เหตุผลอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่เข้าใจว่าพุทธรัตนานี้ประเสริฐจริงถ้าหากเราเข้าใจว่าพุทธรัตนานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆนะเราจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรห่วงเห็นควรที่จะน้อมใจในการที่จะปล่อยใจของเราเนี่ยเข้าไปตั้งไว้ที่พุทธรัตนะ หรือพัฒน า, าคตถ้าในชั้นของคําสอนจะมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t h าคําว่าตถาคตโพธิสัต tha เขาเรียกว่าความเชื่อมั่นปัญญาของพัฒนาคตเชื่อมั่นปัญญาของพัฒนาคตคือเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงบอกเป็นพุทธเจ้าจริงเ่ยแล้วก็เชื่อมั่นอีกอย่างว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรตรัสสอนความจริง ความจริงที่ภาษาสดาทรงตรัสสอนนั้นก็คือตรัสสอนในเรื่องของเหตุกับผลถ้ามองอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์แล้วก็สอนในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วก็สอนความดับทุกข์แล้วก็สอนข้อปฏิบัติหรือหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยสอนความจริงทีนี้ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมานี้เรียกว่าอะไร เรียกว่าพระธรรมเห็นไหมว่าพระตถาคตคือพระพเจ้าเนี่ยเป็นพุทธรัตนะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสรุปความจริงตัดสรุปความจริงก็คือตัสรุปพระธรรมเมื่อตัดสรุปพระธรรมคืออริยสัจคือความจริงกานประเสริฐและพระพุทธเจ้าก็เลยสอนความจริงความจริงที่พระองค์ทรงสอนนั้นเรียกว่าพระธรรมก็เลยกลายเป็นรัตนะที่สองใช่ไหม ลำดับแรกคือกัลตนาที่หนึ่งหรือแก้วดวงที่หนึ่งก็คือพุทธรัตนะแก้วดวงที่สองก็คือพระธรรมรัตนะก็คือความจริงเงินประเสริยทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงหรือพระธรรมที่พระองค์ทรงบอกทรงกล่าวนั้นน่ะเรียกว่าธรรมรัตนะอันเนี้ยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงเหล่านี้แล้วความจริงคือธรรมรัตนะเหล่านี้เรามีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงตรัสสอนความจริงแล้วคำสอนกก่าวคือความจริงที่พระองค์ทรงตรัสสอนนั้นเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถให้เข้าถึงความจริงได้อย่างชัดเจนการเชื่อ ม, มั่นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไปตั้งมั่นไว้ในที่พัฒฐาคตดลำดับต้นลำดับต่อไปก็คือเราพิจารณาอย่างไง พิจารณาว่าพราะพุทธเจ้านี้แหละแต่เดิมเนี่ยพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่แหละแต่ด้วยการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีที่เขาเรียกว่าพัฒนาตนเองเนี่ยจากการที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างยาวไกลนเนี่ยนะบำเพ็ญทานให้ทานเหมือนเราที่ให้เยแต่มันต่างกันกันกบวิธีคิดหรือวิธีการสลัหรือความเข้าใจในการที่จะสละ บำเพ็ญศีลบำเพ็ญเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสจัธิฐ า, านเมตตาแลวา้วก็เบขาก็ฝึกฝนขัดเกาพัฒนาตนเองมาอย่างยาวไกลที่สุดจริงๆด้วยความที่ไม่ถอนความตั้งใจทรงกระทำอย่างมุ่งมั่นที่สุดจริงๆก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยอันนี้มองเห็นอะไรร้ไหมเกิดศรัทธาเชื่อมั่น ว่าพระพุทธเจ้าฝึกตนเองจนสามารถจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระถถาคตกลายเป็นพุทธเจ้าได้พอมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้เบียเสร็จปุ๊บก็ได้อะไรต่อเมื่อสักครู่เราสวดอะไรนะอิติปิโสพระคาวาอะรห้งสมาอยู่ไหมเราสวดเ้าพอสวดไปได้อะไรบางทีเราจับประเด็นไม่ได้นะยสังเกต ด, ดูไมล่ะตอนในขณะที่เราสวดเนี่ยแล้วก็สวดไปบางทีก็ได้ ชื่นใจบ้างไม่ชื่นใจบ้างบางคนก็สุขใจบ้างบางคนก็เบื่อหน่ายบ้างเนี่ยในขณะที่สวดไปเนี่ยถามแล้วเราจะจับแกนกลางยังไงจับประเด็นยังไงจับหลักยังไงหลักหรือประเด็นหรือแกนกลางที่เราควรจะจับนั้นคืออะไรก็คือต ถ, ถาคตโพธิสัตว์เชื่อมั่นว่าพระตถาคตนี้แหละจากเดิมเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เพียรพยายามในการฝึกขัดขัดเกลาตนเองเนื้อพัฒนาตนเอง ที่สุดจริงๆเมื่อสุดถึงที่สุดด้วยการไม่หยุดไม่ด้วยการไม่ถอนความตั้งใจที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็เป็นวัฏฏฐาคตได้ใช่ไหมล่ะงั้นคำวัาตถาคตนี่เป็นศัพท์หมายถึงพระพุทธเจ้าเออก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ครูอาจารย์ก็คณะครูก็ลองมาพิจารณาถึงเราเองดีว่าเออตอนนี้เราเป็นมนุษย์ไหมเป็นไม่เป็ น, นเอาเป็นมนุษย์ แล้วลองหันเอาความเชื่อมั่นมาเชื่อที่ตนเองทีว่าเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นหนึ่งในพุทธะได้ไหมเชื่อไม่เชื่อหรือไม่เชื่อไหวหรือใช่ไหมล่ะเอา้ามนุษย์ฝึกได้อ่ะสัตว์ในราฉานนี่ฝึกอยู่ในแวดในขีดจํากัดนะแต่นี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าบอกว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อฝึกมนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อพัฒนา มนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อภาวนาไอา้ก็คือทําให้เจริญขึ้นใช่ไหมเราเราดูตัวอย่างคือพระเจ้ายังไงจากมนุษย์ธรรมดาก็บํบบาเพ็ญพรบารมีฝึกตนเองโดยไม่ควานไม่ถอนความตั้งใจแล้วมาวันนี้พระเจ้าก็ประกาศความยิ่งใหญ่ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าได้เอาก็มาจากมนุษย์ใช่ไหม แล้วเอาอความเชื่อมั่นที่ไปเชื่อไว้ในพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาเชื่อศักยภาพของตนเองได้ไหมว่าเราก็เป็นมนุษย์และหนทางวิธีการในการที่จะฝึกตนเองพระพุทธเจ้าก็บอกไว้คือพระธรมม ร, ร, ะ ร, ร, ะธรมคือความจริงกันประเสริฐพระธรรมคือความจริงกันประเสริฐนั้นเราสามารถน้อมเข้ามาที่เขาเรียกว่าโอปัตติโกเนี่ยน้อมเข้ามาสู่กระแสชีวิตของตนเอง เพื่อจะฝึกขัดขัดเกลาชีวิตของตนเองพัฒนาชีวิตของตนเองให้เป็นหนึ่งในพุทธะได้หรือไม่ได้ได้ไหมได้ไหมได้พร้อมจะฝึกไหมว่าไงพร้อมจะฝึกไหมพร้อมเนะพพูดดังมันยวมไหมโอ้ยสมัยกระตคอกเราเลยนะยอมพร้อมไหมไอ้ที่พามาเนี่ยมาวันเนี้ย แล้วก็จะมาอยู่กับพวกเราเนี่ยก็คือจะมาบอกวิธีการและอุบายในการที่จะฝึกพัฒนาตนเองเวลาจะฝึกเนี่ยเขาต้องความตั้งใจต้องมั่นคงไมไอ้ตอนที่เราจะไปสอบในกรณีที่เราปรารถนาอยากจะเป็นครูอะไรก็แล้วแต่ เ, เราไปแบบห่อยเหงาแบบไม่ได้ตั้งใจเราไปแบบนั้นหรือเปล่ารูกไปแบบตั้งใจเต็มที่ว่าเราต้องได้เนี่ ย, ยตั้งใจหมตั้งใจ เอออันนี้เอาแบบตั้งใจแบบนั้นได้ไหมแต่ให้มากกว่านั้นอีกสักยี่สิเปอร์เซ็นตให้มากกว่านั้นหน่อยตรงนี้ไงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเราสวดพุทธคุณเก้าพระธรรมคุณหกพระสังฆคุณเก้าสวดไปสวดมาเราก็จับประเด็นไม่ชัดเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตถาคตโพธิสัต t h าคือศรัทธาที่เชื่อมั่นปัญญาของพระตถาคตว่าพระตถาคตนี่แหละจากเดิมเป็นมนุษย์ ธรรมดาแต่ด้วยการพัฒนาฝึกฝนตนเองที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็สามารถฝึกตนเองเป็นพรัตถาคตได้เขาเรียกอีธาตาถาคตโลเกะพัตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระสุคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คือพระุทธเจ้านะอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่มาแบบดวงพามาใช่ไหมเรามาแบบไหนมาแบบตั้งใจฝึกไหม ตั้งใจพัฒนาตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองอย่างจริงจังนะไม่ใช่มาแบบหลับหลับตื่นตื่นพุทธิา่ามาแบบหลับหับตื่นตื่นไมไม่ใช่บอกเออดีแล้วเราเอาศัยว่าพระเนี่ยเมื่ออบรมเราก็ดีเหมือนกันฟังเสียงพระปกติเราฟุ้งซ่านนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วอาศัยเสียงพระเราจะได้หลับสบายๆหน่อยเนี่ยแล้วมันคิดอย่างนี้เขาเรียกพร้อมที่จะมาฝึกหรือพร้อมที่จะมาอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพร้อมที่จะมาฝึก นั่นจริงๆตรงนี้ก็คือประเด็นก็คือว่าคนที่เขาจะฝึกตนเองเนี่ยเาต้องรับข้อมูลห้ามฝึกก่อนมีข้อมูลคนไม่รู้เนี่ยเขาห้ามฝึกคนไม่รู้เนี่ยเขาห้ามขยันคนไม่รู้เนี่ยเขาห้ามฝึกตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้วิชาการที่เราจะสอนเนี่ยยิ่งขยันสอนเนี่ยยิ่งพังไหมถ้าไม่รู้ว่าเราจะสร้างตึกอย่างนี้สร้างยังไงเนี่ยก็ขยันทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นตึกได้ไหม ฉะนั้นคนไม่รู้เนี่ยก็ห้ามขยันตอนนี้เป้าหมายก็คือว่าต้องการจะขับเน้นให้ข้อมูลให้ความรู้เมื่อได้ความรู้เมื่อได้ความเข้าใจเ็เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็จะได้ระดมมุ่งการฝึกใช่ไหมล่ะสมัยโบราณก็ามีเขามีคนหนึ่ง เ, เขาบอกว่าแกแกเป็นคนขยันมากแต่ว่าแกไม่รู้คือชอบอาสาเข้าไปหมดเลยเนี่ยทําไปทํามาแต่ละเรื่องที่แกอาสาพังหมดเลยไม่ได้เรื่องในราวเลย อันเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันนะการที่จะจะฝึกตนเองเนี่ยก็คือต้องรู้เรื่องนี้สําคัญมากในวันนี้ก็คือว่าปรารถนาที่อยากจะให้เราได้เข้าใจคําว่าตถาคตโพธิสัตย์าเป็นเบื้องต้นแล้วก็ให้เชื่อมั่นตนเองนะว่าตนเองเนะี่ยมนุษย์เนี่ยนะมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะฝึกตนเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในพุท ธ, ธาได้พุท ธ, ธามีสามประการนะจริงๆท่านสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่หมายถึงพระพุทธเจ้า ผูตัสรุชอบได้โดยตนเองแล้วก็สามารถประกาศสัสจธรรมคำสอนคือความจริงเหล่านั้นแล้วให้บุคคลอื่นตัสรูุ้ตามได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะส่วนพุทธะอีกประการหนึ่งเขาเรียกปัาเจกพุทธะลักษณะอย่างนี้ก็คือตัศรุได้เฉพาะตนเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะตั้งหลักการในการที่สอนบุคคลอื่นนี้ตัสรุได้อันนี้กลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่สามก็คือสาวกสาวพุทธะ ก็หมายความว่าฟังแล้วได้ตรัสรู้ฟังข้อมูลรู้ข้อมูลเบียดเสร็จแล้วก็เอามาฝึกขัดขัดเกลาตนเองพัฒนาตนเองสามารถตรัสรู้ตามสัมมาสัมพุทธะได้นี่เขาเรียกว่าสาวกสพุทธะเอาพอถึงตอนนี้เบียดเสร็จแล้วพุท ธ, ธามีสามในี่ใครปรารถนาเป็นพุทธะประเภทไหนหนึ่งสัมมาสัมพุทธะปรารถนาไหมเป็นพรพุทธเจ้า นี่ไงศาสนาของพระเชิ น, นเจ้าเนี่ยถ้าจะปรารถนาเป็นพระเจ้าก็ได้แต่ต้องทำนะทำอย่างที่ท่านทรงทำไว้ที่ท่านบอกไว้ทั้งหมดถ้าใครอยากจะทราบก็าตามไปดูในชาดกห้าร้อยห้าสิบวิธีการห้าร้อยห้าสิบชาติที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ทำแค่นั้นรับตรดสรู้ได้นะ แต่ต้องทำมากกว่านั้นแต่ว่าตัดเป็นแบบอย่างไว้อย่างนี้เป็นต้นย่อมปรารถนาไม่เป็นพรธเจ้าไม่เปนพระประเจกกับพรธเจ้าหรือสาวกสาวกนะถ้าสาวกกะนี่นะก็เป็นผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังฟังให้ได้ข้อมูลแล้วจะได้ขัดเกลา ว, วเองทีนี้พอมองในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นชัดนะว่า เออมนุษย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้บอกว่ามนุษนย์จะฝึกตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในพุทธะได้เป็นต้นเหล่านี้ที่พอจับประเด็นตรงนี้เจอแล้วก็บอกว่าแต่เราไม่ค่อยจะสังเกตนะสังเกตบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าผู้มีพาคเจ้าทรงเป็นผู้พัฒนาพระองค์แล้ว คำว่าภาวิตต์เนี่ยก right. like ็แปลพัฒนาแล้วเนพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นภาวิตต์กายะภาวิตตาวิตกายะภาวิตศีลภาวิตะจิตตาแล้วก็ภาวิตตปัญญาก็แปลว่าอะไรรู้ไหมพระพุทธมีพระภพเจ้าเนี่ยมีกายที่พัฒนาแล้วมีศีลที่พัฒนาแล้วมีจิตที่พัฒนาแล้วมีปัญญาที่พัฒนาแล้วหรือ ถ้าผู้มีพระเจ้ามีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเนี่ยพระเจ้ามีกายที่ฝึกมาเรียบร้อยแล้วมีศีลที่ฝึกมาเรียบร้อยแล้วมีจิตที่ฝึกมาเรียบร้อยแล้วมีปัญญาที่ฝึกมาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าฝึกพวกเราเราฝึกหรือยังเรานี่กายเราฝึกหรือยัง บางทีเราฝึกกายก็ฝึกไม่ถูกนะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดเราจะเห็นว่าเออเขฝึกกายก็ฝึกยังไงฝึกกายใช่ฝึกโยคะไหมใช่ไหมฝึกกายก็ฝึกโยคะเปล่านี่ที่นั่งๆอยู่ในี่ใครใครทำโยคะเก่งบ้งเนี่ยโน่นต้องถาเน้นขึ้นเน้นก็เก่งโยคะ <c oughs> ทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้ า, าบอกว่ามนุษย์สภูตังสัมพุธัง อัตตาทันตังสมาตังเทวาปีตังนัมสันติบอกว่าไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่พระองค์ทรงฝึกพระองค์แล้วเป็นผู้มีกายที่พัฒนาแล้วศีลที่พัฒนาแล้วจิตที่พัฒนาแล้วปัญญาที่พัฒนาแล้วหรือ เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาที่ฝึกแล้วที่อัตตทันต์เนี่ยมีหาไทยมีผ้าไทยซึ่งอบรมถึงที่สุดแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนอมนัสการเราเราเชื่อมั่นไหมว่าเทวดาเนี่ยก็นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรรู้ไหม เมสักคู่เราสวดจำบอกว่าอะไรนะศรัทธาเทวมนุษสานังแปลว่าอะไรเอาไปดูที่ที่เราสวดเมื่อสักครู่นึกไม่ออกแล้วนี่ไงต้องฝึกตั้งแต่สวดมนเลยเนี่ยงานเนี้ยแปลว่าอะไรอนะ่ะศรัทธาเทวมนุษสานังแปลว่าอะไรเออนั่นเราเป็นครูกับคำว่าเป็นาศาสดา พระบรมาศาสดาเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาพวกเราเป็นครูเนี่ยพวกเราเข้าในบทนี้ได้ไหมพวกเราเป็นครูของใครเป็นครูของใครเป็นครูของนักเรียนเอ๊ะของเราใช้คำว่าศรัทธาได้ไหมแล้วก็ต่อคำว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้ จะว่าพวกเราเนี่ยคุณสมบัติยังไม่ถึงเพราะคนที่จะเป็นศาสดา ห, หรือเป็นครูจริงๆเนี่ยเขาถึงพร้อมได้วิชาแปดถึงพร้อมด้วยจรณาสิบห้าอย่างเรามีบกเพลนิวาสานุสติญาณไหมมีปัญญาประเภทนี้ไหมมีพยานที่เป็นไปกับสติที่ระลึกชาติหุนหลังตนเองได้มีญาณ น, นี้ไหมไม่มีเอามีทิพปปจักขุยานไหมตาทิพเนี่ย สามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลได้มีมีมียานแบบนี้ไหมยรายละเอยียดเยอะเนะเพราะอย่างนี้เราจงไม่ได้เราจงไม่ได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท่าน่ตเศษโธมนุษย์เสส่วนในหมู่มนุษย์ผู้ที่ประสริฐสูงสุดคือคนที่ฝึกแล้วฉะนั้นพระบรมศ า, าสดานี่เป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาและจริยะหรือจรณะเป็นผู้ปรสริฐสูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวา ฉะนั้นศรัทธาตรงนี้ก็คือความเชื่อมั่นในใจที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกำลังใจที่จะฝึกตนเองอตอนนี้ใครไม่เชื่อมั่นว่าตนเองจะฝึกไม่ได้เพราะเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจากมนุษย์นี่แหละแต่ฝึกตนเองพัฒนาตนเองที่สุดจริงๆเป็นพระพุทธเจ้าได้ เราก็มาสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสารเสริญพระราตนาไตรให้สังเกตดูนะเราสวดสารเสริญคุณของพระเจ้าเราเชื่อมั่นใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆเอาลองดูบทดูสิอัละหังแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะอันละหังแปลว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าวิชาเจรนาสัมบันโนแปลว่า สุขโตโลกวิทูเอาสวดไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้แล้วแล้วเราได้อะไรเคยสวดมนต์ใช่ไหมที่ผ่านมาพอสวดแล้วได้อะไรตอนนี้ได้อะไรเนี่ยได้ตัถาคตโพธิศรัทธาไหมเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตัจถาคตไหมว่าพระตัจถาคตนี้เป็นพระตัจถาคตจริง ตัสรู้ความจริงความจริงที่พระองค์ทรงตัดสรู้นั้นสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วทําให้เราสามารถเข้าถึงความจริงได้เราเชื่อมั่นตรงนี้ไหมเอาเพอเชื่อมั่นตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บแล้วเราเชื่อมั่นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจากมนุษย์ธรรมดานี่แหละฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นพระธรรคตได้เชื่อไม่เชื่อเออจากมนุษย์ธรรมดานีแท้ฝึกตนเองเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วเราเอาความเชื่อมั่นที่ไปตั้งไว้ที่พระธรรมคต หันย้อนกลับมาเชื่อมั่นตัวเองไหมว่าเรามีศักยาภาพเพียงพอในการที่ฝึกตนเองในการที่จะเป็นหนึ่งในบุ ธ, ธาได้เชื่ออย่างนี้หรือไม่เชื่อหนึ่งได้สองหรื อ, อยังเชื่อหนึ่งได้หนึ่งอยู่ถ้าเชื่อหนึ่งได้หนึ่งไม่เชื่อข้างนอกนะใช่ไหมล่ะแล้วยน์มันคืออะไรแล้วก็อุคุพระเจ้าสุดยอดพระเจ้าสุดยอดดีที่สุดดีที่สุดแล้วได้อะไรต่อมา เชื่อหนึ่งแล้วเอาความเชื่อนั้นย้อนมาดูตนเองแล้วมั่นใจศักยภาพตนเองว่าเราจากเป็นหนึ่งในพุทธะได้เราเชื่อมั่นแบบนี้หรือไม่ถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ถึงจะมีการพัฒนาถ้าไม่เชื่อมั่นอย่างนี้จะเริ่มพัฒนาไหมไม่เริ่มต้องเอาไปคิดดีดูดีนเนี่ยไหวหรือเชื่ออย่างนี้ป่าพอเชื่อปุ๊บ ที่เอาความเชื่อไปไว้ที่พัตถาคต์พอเชื่ออย่างนั้นไปเสร็จแล้วก็ดึงความเชื่อมาไว้ที่ตนเองด้วยกลายเป็นเชื่อสองอย่างโดยมีพระเจ้านั้นเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างอย่างนี้ในความหมายที่เนนพูดเมื่อสักครู่บอกว่าเดินตามพุทธโอวาทมันถึงจะชัดใช่ไหมเล่าถ้าไม่เชื่อมั่นที่พัตถาคตแล้วเราจะเดินตามพุทธโอวาทได้ไงเป๋เดี๋ยว เ, เ, เราก็เดินออกนอกพุทธโอวาทอีก ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือว่าคำว่าพาวิทย์ก็คือกริยาช่องที่สามซึ่งเป็นคุณศัพท์นะเขาแปลของภาวนาที่แปลว่าการพัฒนาก็ได้ตรงนี้ก็คือว่าต้องการอยากจะให้เราเนี่ยได้เตือนจิตสํานึกนะที่จะศึกษามาทบทวนสาระว่าการศึกษาที่เราจะให้มีการฝึกขัดในการที่พัฒนาตนนี่น เ, นเริ่มต้องต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ให้เชื่อก่อนมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้อย่างไม่มีขีดจํากัดผิดกับสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกแล้วมีขีดจํากัดใช่ไหมเอาเมืองลบบุรีเป็นเมืองลิงด้วยเขาฝึกลิงได้ไหมแต่จํากัดไหมสามารถฝึกได้อย่างไรขีดจํากัดได้ไหมเอาเนี้ยลิงฝึกเต็มที่ได้ก็อยู่ในขีดจํากัดของเขาเท่านั้นเลย แต่มากกว่านั้นก็ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะฝึกตัวและมีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้มีศักยภาพที่จะศึกษาสามารถพัฒนาหรือฝึกตนให้เป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นมาสูงสุดขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะเชื่ออย่างนี้ไหมล่ะไหวไหไหวเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงมีคาพูดบ่อยๆให้ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็ประเสริฐได้ด้วยการศึกษาแล้วฝึกแล้วก็ถึงจะประเสริฐต้องย้าตรงนี้นะว่าอย่าพูดเพียงแค่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องวงและไว้ไม่มีทางจะประเสริฐเพียงแค่มนุษย์แต่มนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึก ต้องฝึกแล้วเท่านั้นจึงจะจัดว่ามนุษย์ถึงจะประเสริฐใช่ไหมถ้าไม่ฝึกจะประเสริฐได้ไหมถ้าไม่ฝึกจกเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ถ้าไม่ฝึกจกเป็นพระปัิเจ้าพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าไม่ฝึกจะเป็นภาษาวกเป็นภาษารีบุตรเป็นพระโมคคารนาเป็นพระอานุ์เป็นพระมหาตศะไม่ได้จะเป็นนาวิสาถามหาบูตบาสิกาก็ไม่ได้จะเป็นอนาถาปินฑิกาเศรษฐีกุาบดีที่สร้างวัดเชตวันก็ไม่ได้ แต่ที่ท่านเหล่านั้นเป็นได้เพราะฝึกฉะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแค่นี้พอไม้มพอไหมพอสรุปแล้วฝึกดีหรือไม่ดีเออพร้อมหรือยังแต่เนี้ยแต่จะฝึกอย่างไรเนี่ยมันต้องรู้แล้วแต่เนี้ยใช่ไหมฝึกแบบไรทิศไร้ทางได้ไหมไม่ได้แต่เนี้ย ตรง น, นี้ก็คือว่าประเสริฐได้โดยการฝึกนะมนุษย์นั้นฝึกแล้วประเสริฐสูงสุดได้ทั้งหมดนั้นอยู่ในหลักการนะก็คือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานก็คือเชื่อมั่นในพระธรรคตเสียเมื่อเชื่อมั่นในพระธรรมคดเบียดเสร็จว่าพระธรรคตดังที่ได้กล่าวว่าฝึกตนเองจึงจะสามารถเป็นพุทธเจ้าได้อันนี้ก็คือว่าสัตว์อื่นมันอยู่แค่สัญชาติญาณเนี่ยมันตึองฝึกได้ในขีดจํากัด ให้สังเกต ด, ดูนะว่าริงเนี่ยในร็อบบรีเนี่ยเขาเรียนรู้แค่พอตัวอยู่รอดได้แล้วมันก็ดำลงชีวิตของมันไปจะฝึกให้ประเสริฐไม่ได้จะพัฒนาให้สร้างสรรค์ทำอะไรพิเศษไม่ได้เกิดอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแหละเนี่ยก็ตายไปอย่างนั้นแหละถึงแม้สัตว์บางชนิดจะฝึกให้ทำอะไรแปลกๆได้บ้างอย่างช้างเอวยิงเงยเป็นต้นเหล่านี้ก็ทำตามที่ที่ฝึกให้ ไม่เหมือนคนนะที่ฝึกได้และมีวิสัยในการฝึกโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยประเสริฐโดยโดยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เราก็ได้มุมแล้วว่าเราก็มาจับจุดและแต่เนี้ยว่าสําคัญเรื่องของพระเจ้ารวมทั้งพระรัตนตรัยทั้งหมดก็มาอยู่ตรงเนี้ยถ้อาอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพัฒนาคตพอเชื่อมั่นในพัฒนาคต ว่าพระตถาคตเป็นพระบุรุเจ้าจริงๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระตถาคตตรัสรู้ความจริงเพราเชื่อมั่นพระเจ้าตรัสรู้ความจริงเบ็ดเสร็จแล้วก็สอนความจริงความจริงเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นเชื่อมั่นพระธรรมด้วยไหมจากเชื่อหนึ่งขยายเป็นสองได้ยังขยายเป็นพระธรรมรัตนะแล้วจากพุทธรัตนะนะเราเชื่อพุทธรัตนะแล้วก็เชื่อพุทธรัตนะตรัสบอกความจริงพุทธรัตน์ตรัสบอกความจริงก็เลยเชื่อมั่นธรรมรัตนะ และความจริงคือธรรมรัตนานั้นน่ะสามารถเนรมิตเข้าไปประชุมในกระแสชีวิตของไข่จากปุถุชนนี่แหละเช่นโดยตัวอย่างนะว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรความเพียรคือเพียรในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งสติคือความระลึกมั่นรักษาคุณความดีเป็นต้นไว้สมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้เนี่ย พระธรรมนี้ถ้าไปอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดพัฒนากระแสชีวิตของท่านผู้นั้นจากมนุษย์ที่ไม่ฝึกกลายเป็นมนุษย์ที่ฝึกจากมนุษย์ที่ประเสริฐกลายเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจากมนุษย์ที่ไม่สูงสุดกลายเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าได้เราเลยเชื่อมั่นอะไรเนี่ยเชื่อมั่นพระธรรมจะสามารถเป็นบันไดไต่ขึ้นไปในการที่เข้าถึงจุดสูงสุดได้บอกอ๋อพระธรรมเนี่ยถ้าเราก็มองเห็นนะเออตรงนี้ยกตัวอย่างหน่อย ตอนที่พระมหากรพินนาห์นี่ท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินนะในสมัยครั้งวัฎการตอนนั้นพอท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยท่านก็มีอัธยาศัยชอบศึกษาอยากจะรู้ว่าอะไรมันเป็นวิชาของชีวิตท่านพระมหากรินนาห์นี่ท่านอยากจะรู้ว่าอะไรมันเป็นวิชาของชีวิตที่จะสามารถนําชีวิตเข้าไปสู่จุดที่สูงสุดได้จริงท่านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาแบบเนี้ยค้นคว้ายัางไงก็คิดไม่ออก มันไม่ใช่วิสัยของท่านไงแต่อยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านก็ไปประพาตอุทยานของท่านเนี่ยนะตอนนั้นชาวสาวัตถีเป็นพ่อค้าเนี่ยกระจาริคไปไปค้าขายท่านเจอท่านก็เลยถามท่านก็ให้เขาเฝ้าให้เขาเฝ้าไปเสร่ท่านก็ถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนบรรดาพวกพ่อค้าชาวสาวัตถีก็บอกว่าข้าพเจ้ามาจากสาวัตถี เอสาวสถีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลพระเจ้าเป็นดินมีนามว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นแคว้นที่ใหญ่อะยอมที่นั่งอยู่นี้ใครเคยไปอินเดียบ้างเนี่ยยกมือขึ้นที่มีไหมเคยไปมาแล้วเลยอะยกทงสูงที่อย่าไปยกแค่นั้นเี๋อ้าวใครเคยไปนะมีไหมเคยไปอินเดียยังยังเลยอยากไปอินเดียไหมล่ะ อยากไปยอยากไปอินเดียลองตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆไงคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเชื่อไหมล่ะลองตั้งใจอย่างมุ่งมั่นจริงๆเดียวโอกาสไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินเดียเป็นเรื่องง่ายมากไม่ได้อยู่ที่เงินด้วยนะอยู่ที่ศรัทธานบางคนมีเงินตั้งเยอะแยะแต่ไม่มีโอกาสไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินเดียใช่ไหมล่ะมันไม่อยู่ที่เงินนะยอมให้อยู่ที่ศรัทธาทีนี้ ตรงนี้ก็คือว่าในสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองหลวงเดี๋ยวบอกให้โยมได้ได้ขอ้ขอข้อมูลตรงนี้ก่อนนะตัวสาวัตถีนี่มีประชากรเจ็ดสิบล้านเฉพาะเมืองหลวงนะครับเจ็ดสิบล้านไม่ต้องพูดถึงทงางแควนในเจ็ดสิบล้านเนี่ยพระเจ้าไปจำพรรษาอยู่สิบเก้าพรรษาแล้วก็รวมอีกที่หนึ่งก็กลายเป็นยี่สิบห้าสรุปก็คือยี่ห้าพรรษา จำพรรษาที่เชตวันสิบเก้าแล้วก็ที่ปุกพาลามอีกหกกลายเป็นยี 5, ่ห้าพรรษาในเมืองนี้จากตัวเมืองหลวงเนี่ยเจ็ดสิบล้านเนี่ยมีพระอริยะที่เป็นคราวาสส่วนใหญ่เนี่ยห้าสิบล้านกับห้าแสนคนประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดสิบล้านเอานี้ที่มานั่งอบรมกี่คน สามสิบสองเลยมีาริรยากี่คนหายใจทั่วไม่ทั่วท้องเลยแต่นี้หายใจไม่ทั่วท้องเลยนี่ไงจะได้จะได้รู้สึกตื่นเต้นว่าาริรยาเนี่ยมีจริงเหตุที่เขาเป็นาริยาได้เขาฝึกและเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับหลักการอื่นแล้วเขาเพียรพยายามในการฝึกตนเองจริงๆอย่ยังไงทีนี้ท่านก็ถาม ท่านก็ถามว่ามาจากไหนออกมาจากสาวัตพระเจ้ามหากรินะก็ถามทันทีบอกว่าที่เมืองของท่านมีอะไรดีถามว่าที่เมืองของท่านมีอะไรดีท่านก็บอกว่าดิฉันพูดไม่ได้ข้าพเจ้าพูดยังพูดไม่ได้ก่อนเอเพราะอะไรเพราะตอนนี้ปากไม่สะอาดก็ดเกี่ยวอะไรกับปากไม่สะอาดเพราะบุคคลที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเนี่ย เป็นบุคคลที่บริสุทธิ์สูงสุดฉะนั้นถ้าตราบใดเนี่ยปากของข้าพเจ้ายังไม่ล้างให้สะอาดเนี่ยข้าพเจ้าจักไม่พูดถึงท่านวันนี้โอ้โหพอฟังนี้ก็ตื่นเต้นแสดงเป็นบุคคลสูงสุดจริงๆมหมว่าที่แสดงว่าเขาเคารพจริงๆไหมแบบเนี้ยเอางี้ในชีวิตเราเนี่ยเราเคยเคารพใครถึงขนาดว่าจะพูดถึงชื่อคนนั้นเราต้องล้างปากก่อนนี่ยเคยเคารพไหขนาดนะั้น ปกติในปากมันเหม็นหรือมันหอมเออมันของไม่สะอาดฉะนั้นตรงนี้อ่ะท่านก็ใช้นะใช้น้ําที่สะอาดจากไอพระราชทานให้ถือเต้าน้าเต้าทองไอ้ทองคํานีำเทให้ก็ล้างปากล้างมือพอท่านพอบคุคคลเหล่านั้นบ้วนปากบ้วนมือไปเสร็จก็หันหน้าไปทางสาวถี ประคองอัญชลีนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวบอกว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วแโดยสํานวนก็คือนะโมตัสสาวพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัตว์บอกว่าพระพุทมีพระภาคเจ้าท่านจะสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พอพูดแค่นี้นะพระหมหากปินะเนี่ยไอความเชื่อมั่นของท่านก็โรดแหลนความเพียรก็ เกิดขึ้นในกระแสของความคิดสติก็ระลึกมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาก็โรดแล่นบอกว่า โ, โหนานนักหนาการที่เราจะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสรู้เองโดยชอบอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยโดยสำนวนก็คือว่าเป็นผ้าอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเนี่ยถึงพร้อมในวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสรารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือโลดแล่นในใจท่านเลยนะเพราะได้ยินเสียงที่เขาชาวสาวธีพูดอย่างเนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยความเชื่อมั่นที่เป็นตถาคตโพธิศรัทธาเกิดขึ้นทันทีเลยพอเชื่อมั่นตรงนี้เบลเสร็จปุ๊บท่านถามต่อทันทีบอกว่าท่านทั้งหลาย ท่านให้สิ่งที่เป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้ามากแก่หูเนี่ยและประชมสูรมโนทวารคือทางด้านจิตใจของข้าพเจ้าเหลือเกินก็พระราชทานทรัพย์ให้เป็นแสนกหาบรรณะนะแล้วก็บอกว่าช่วยบอกสิ่งที่เป็นมงคลอีกหน่อยเถอะว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมชาวสาวถีก็ประคองอัญเชลีบอกว่าบัตรนี้พระธรรมรัตนะเห็นไหมว่ารัตนะที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้ว สองแล้วก็บอกว่าบัดนี้พระธรรม ร, รัตนะคือรัตนะที่สองคือพระบรมศาสดาวบัดเกิดขึ้นมายังไม่พอตอนนี้พระบรมศาสดามีพระมหากรณาที่คุณในการที่ประกาศสัจธรรมความจริงแล้วที่เราที่เราสวดกันเน่ส ว, าา ว, ว่าขาโตพระวะตาธรมโมเนี่ยพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นเป็นนิญยานิกธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากวัตทุกข์ได้จริงก็หมายความบอกว่าพระธรรมที่พระบระมศา ส, ศสดาทรงตรัสแสดงนั้นเป็นพระธรรมที่เมื่อบุคคลนํามาประชมในกระแสชีวิตพัฒนาตนเองแล้วสามารถชัดนํากระแสชีวิตของตอนเองให้พ้นจากอุปสรรคและอันตรายและพ้นจากวัตทุกขได้จริงพวกพูดอย่างนี้เราโอ้โหโรดแล่นนะในกระแสความคิดของท่านพระมห า, าคารินะก็โรดแล่น ถุกบอกว่าไอ้คาว่าโอปัญิโกตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยควรน้อมเข้ามาใส่ตนน้อมเข้ามาสู่กระแสชีวิตตนของตนเพื่อจะพัฒนากระแสชีวิตของตนเองจากมนุษย์ที่ไม่ฝ like ึกนี่แหละจะได้กลายเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้พอท่านเห็นว่าพระธรรมรัชนะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจากศรัทธาหนึ่งคือตถาคตโพธิศรัทธาก็แยกกลายเป็นสองใช่ไหม กลายเป็นศรัทธาในพระธรรมรัตนะอีกหนึ่งก็กลายเป็นสองประการต่อมาพอเชื่อมั่นว่าพระเจ้าแสดงสพระศธรรมก็ถามก็พระราชทานให้รั์ให้แล้วก็ถามต่อว่าท่านทั้งหลายมีอะไรที่ประเสริฐอันนี้บอกว่าแก้วดวงที่หนึ่งคือพุทธรัตนเกิดขึ้นแล้วโอโ้ตื่นเต้น ยิ่งบอกแก้วดวงที่สองคือธรรมรัตนะอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วความตื่นเต้นก็ยิ่งเกิดขึ้นใหญ่ถามต่อไปบอกว่าและมีอะไรอุบัติเกิดขึ้นอีกไหมชาวสาวธีก็ประคองอัญเชิญบอกว่าบัดนี้พระสังค ร, รัตนะคือแก้วโดวงที่สามเนี่ยเกิดขึ้นเพราะพระธรรมเนรมิตอย่าลืมนะว่าพระเจ้าเนี่ย พระตถาคตเจ้าเนี่ยกล่าวพระธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยเกิดแต่อกนะเกิดแต่อกในหาไทยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดพระธรรมนะพระสัพพัญญตยานพระปัญญายานทั้งหลายก็กลั่นพระธรรมออกมาแล้วก็ออกจากพระโอษฐ์ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ากล่าวพระธรรมพระธรรมเหล่านั้นก็ไปประชุมในกระแสชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พร้อมจะฝึกตน สัตว์เหล่านั้นเมื่อฟังพระธรรมมรตนะที่พระบรมศาสดาสทรงเปิดเผยออกมาแล้วเสร็จพระธรรมก็ไปประชมในกระแสชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าจากมนุษย์ที่ไม่ได้ปรึกได้ข้อมูลในการปรึกก็รับเอาพระธรรมเหล่านั้นมาไข ค, ควนมาพิจารณาปฏิบัติตามพระธรรมรัตนะเหล่านั้นจากมนุษย์ธรรมดาก็กลายเป็น พรียพอรู้บอกว่าสังครัตนาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นท่านก็อุทานบอกว่าเป็นบุญญาาภของท่านเลยนี่แปลว่ามั่นใจไหมจากศรัทธาหนึ่งคือตถาคตโพธิศรัทธาขยายเป็นสามเทรรัตนตรีย์ศรัทธาคือศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่จากหนึ่งขยายเป็นสามอย่างนี้ทีนี้ พอรู้ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากวัฏทุกข์ได้จริงพระธรรมทําให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายได้จริงแล้วเชื่อว่ามีพระสงฆ์รับเอาพระธรรมและพัฒนาตนเองพ้นทุกข์และออกจากอุปสรรคได้จริงด้วยท่านพระมหากบินะท่านเชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นศักยภาพตนเองเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องเป็นหนึ่งในรัตนนาคได้แน่นอนท่านมั่นใจว่าแน่นอน อา้าหันมาดูพวกเรามาสอนหนังสือที่บรรจงรัฐเราได้ยินคําว่ารัตนนาเนี่ยเมื่อกี่ปีแล้วบรรจงรัฐเนี่ยอา้าสอนมากี่ปีแล้วหกปีได้ยินคําว่ารัตนนามากี่ปีแล้วหกปีใช่ไหมต้องให้นักเรียนเขียนคําว่าบรรจงรัฐบรรจงรัฐใช่ไหม โรงเรียนบรรจงรัฐตลอดเลยครูสอนมากี่ปีแล้วสี่สิบเอ็ดปีโอ้โหสอนมาไม่ใช่น้อยเลยสี่สิบเอ็ดปีเลยเนี่ยงั้นก็ได้ยินคำว่าบรรจงรัฐเนี่ยมานานแล้วสิเนี่ยแล้วตื่นเต้นอะไรบ้างไหมตื่นเต้นอย่างพันธุ์มาหากับีนะไหมพอได้ยินคำว่ารัตนะรัต น, น์คำนี้ตื่นเต้นไหมหรือเฉยเฉยนี่ <c oughs> ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นเนาเนี่ยพระหมหาขับีนะพอท่านได้ยินอย่างนี้ปุ๊บท่านเป็นพระเจ้าไปดินนะท่านบอกว่าท่านชักม้ากลับแล้วท่านบอกกับอำมาตย์ที่หนะ้าร้อยเนอะท่านบอกท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีตถาคตโพธิสัตธาเชื่อมั่นในพระตถาคตคือรัตนะที่หนึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่น ว่าพระตถาคตตรัสความจริงความจริงที่พระตถาคตตรัสนั้นน่ะเป็นความจริงแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นรัตนที่สองคือธรรมรัตนะและประการที่สข้าพาเจ้าก็เชื่อมั่นว่าพระัรมจะเนลมิตรเป็นหนทางในการเยีฝึกขัดทําให้มนุษย์ที่ไม่ประเสริฐเนีเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความจริงได้เข้าถึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้ข้าพาเจ้าจึงเชื่อมั่นในพ ร, รนะ ร, รัตนไตรย แล้วข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นตนเองว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในรัตนะได้ข้าพเจ้าจึงไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกแล้วพราะเห็นความเป็นพระราชามหากษัตริย์เห็นความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีสาระของความงามของความเที่ยงของความสุขของความเป็นตัวตนไม่เห็นสาระอยู่แล้วตอนนี้เห็นทรัพย์เห็นบริวารเห็นยศ ประดุดดังก้อนเสลเอที่ลิมที่ที่ปลายลิ้นข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะกลึนงเข้าไปพร้อมที่จะถ่มทิ้งทันทีเลยฉะนั้นท่านก็เขียนสารสระละราชบัลลังก์บอกว่าให้ท่านทั้งหลายช่วยเอาสารนี้ไปบอกแกพระมเหสีเราไม่ปรารถนาทราบสมบัติเพราะเรามเรามีตถาคตโพธิสัตว์แล้ว คือท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะฝึกตนเองแลเป็นพระพุทธยาเออ เ, เป็นเป็นหนึ่งในพุทธะได้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าท่านมั่นใจว่ามนุษย์ฝึกได้ใช่พัฒนาตนเองได้จากไม่ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐได้และเชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัส บ, บอกมาเนี่ย เดินตามคำสอนคือพระธรรมแล้วฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้ถ้าท่านเชื่อมั่นอย่างนี้ท่านก็ตามเรามาถ้าท่านไม่เชื่อมั่นท่านก็กลับไปท่านก็ชักม้าเลยเชื่อไหมอามาทห้าร้อยเนี่ยตามพระเจ้ามาข้าพพิณาหมดเลยทิ้งบุตรทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเชื่ออะไรเชื่อมนุษย์ฝึกได้ใช่ไหม เออเขาเชื่อมนุษย์ฝึกได้เขาจึงสละที่สวดจริงๆก็สละบัลลังก์อามาตก็สละบุตรภรรยาแล้วก็สละตำแหน่งตามตามพระเจ้าหมหากาพินีห้าร้ตอนนี้ท่านเหล่านี้ปริญิาพานหมดแล้วนี่ไง <c oughs> แล้วเราอยู่กับโรงเรียนสี่สิบเอ็ดปีเราได้ยินคำว่ารัตนะ ม, มิมีแรงขับกระตุ้นแรงๆเนาะ ทั้งป่านนี้เราคงโอ้โหป่านนี้คงสวดมนต์ไม่ต้องดูหนังสือแล้วพอมองเห็นนี่อย่างว่านี่คือกลุ่มคนเชื่อมัน่นว่ามนุษย์ฝึกได้และประเสริฐได้ด้วยการฝึกพ้าพัฒนาตนเองเข้าถึงความจริงได้อา้าแต่นี้ถามต่อพอพูดถึงตรงนี้แล้วที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเนี่ยเริ่มเชื่อมั่นไหมว่าเราก็เป็นมนุษย์เชื่อมั่นไหมแล้วก็ ตอนนี้เชื่อมั่นว่าเราประเสริฐหรือยังเราประเสริฐหรือยังเพราะเรายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ฝึกและเชื่อมั่นไหมว่าเราฝึกให้ประเสริฐได้จริงเชื่อมั่นไหมเราคนเชื่อมั่นอยู่เราได้กลับไปบ้านที่ไรเครียดทุกทีอย่างนี้วะทั้งทั้งที่กลับไปบ้านแล้วเครียดเนี่ยบอกให้นอนที่โรงเรียนว่าจะอบรมตลอดเอาไหมอมไม่เอาอกลับไปเครียดดีกว่า เร็วแปลกประหลาดชอบความเครียดตรงนี้ก็คือเชื่อศักยาภาพความเป็นมนุษย์ที่จะฝึกและก็พัฒนาตนเองให้ดีและประเสริฐได้ถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วมันก็จะมาเป็นหลักยึดหมายในใจคนที่มีศรัทธาก็มีจุดเป็นที่หมายนะมีทิศทางที่จะมุ่งไฝ่หาแล้วก็มีกำลังในการที่จะเดินหน้าทั้งศรัทธาในศักยาภาพฝึกได้ก็จะสร้างจิตสานึก ในการอิจฉศึกษาขึ้นแล้วแรงส่งนี้ก็นำกระบวนการศึกษาขับเคลื่อนไปข้างหน้าทันทีมันก็จะไม่หยุดอยู่กับที่ปกติถ้าไม่มีความเชื่อมั่นตรงนี้มันจะไม่พร้อมที่จะจิตสำนึกในการศึกษานี่แหละเป็นเรื่องใหญ่นะนี่เป็นหัวข้อนะสำคัญที่จะนำมาไข้ครวนแล้วเพราะว่าสิขาสามเนี่ยใช่คือวิชาที่จะสามารถมาฝึกพวกเราได้เป็นต้นเ่าเนี่ยนี่คือ คือในเรื่องที่เราทั้งหลายก็จะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ในประเด็นนี้ให้ชัดนี่นี่ในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนี้นะทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าพอเรามามองเห็นในชั้นของคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกนะฝากให้พวกเราอีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ย ที่จะขับเน้นว่าเออในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะให้เราขับเน้นกันที่จุดก็คือประการแรกก็คือตัวการสำคัญแลยก็คือตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวของปัญญาเนี่ยที่เข้าไปรู้ความจริงเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะไปเข้าไปรู้เหตุแล้วก็รู้ผล ทั้งหมดที่เราจะมาเข้าอบรมเนี่ยเราต้องการอยากจะรู้ในเรื่องของพระรัตนตรยัยก็คือต้องการจะทําความเข้าใจเข้าใจในเรื่องของพระรัตนตรัยให้ชัดขึ้นเมื่อเข้าใจในเรื่องของพระรัตนตรัยชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยตัวการที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เราจะสวดบอกว่าพุทธโธสุสโธกรุณามหันโน มีในบทที่เราสวดเนนะี่ยบอกพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหนันโนบพระองค์มีตาคือยาานันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเณ์ของโลกข้าพเจ้าวันทาพุทธเจ้ารพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือใช่ไหมเห็นไหมในบทสวดวนมีไว้บทเนี้ยมีไม่มีหน้าที่เท่าไหร่อลองเปิดไปนาที่สิบที่านาที่สิบลองสวดพร้อมกันดูในนาทีสิบ อดุตพุทธโธสุสุโตอาหน 1, 2, ึ่งสองสามสวดหน่อยเถอะเออแค่ตรงนี้ก่อนตรงนี้อนะบทสวดที่เราสวดตรงนี้ให้สังเกตดูนะว่าที่บอกว่าพุทธโธสุสุโธกรุณามหันโนโยจันตสุทัปภรยานโรจนโนโลกัสปาปูปกิเลเสคาทโก วันดามีพุทธังอามาดเดนตังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดดห่วงมหันโนบคือพระบรมศาสดานี้มีพระมหากรุณาธิคุณคำว่ามีพระมหากรุณาธิคุณนั้นพระองค์มีตาคือญาณอันหมดจดอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด คือพระเจ้าฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกเกสของโลกเนี่ยหมายความว่าพระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณก็ทรงนำพระสัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐเนี่ยมาประกราศบอกให้กับพวกเราเมื่อเราได้รู้ความจริงอันประเสริฐที่พระบรมศาสดาประกาศบอกนี้แล้วเราก็ปฏิบัติตามพุทธโอวาท พระธรรมกาวคือพุทธโอวาตนั่นแหละก็ไหลประชุมในกระแสของชีวิตของเราก็กำจัดความไม่มีศรัทธาของเราทิ้งไปกลายเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและความดีกำจัดโกสชะคือความเกียดค้านกลุ่มอกุศลคือบาปทั้งหลายทำให้เรากลับเข้าหาความเพียรในการที่ออกจากบาป เพียรในการที่จะเจริญกุศลให้เข้าถึงความจริงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกำจัดความไม่มีสติคือมุตตสติการลหลงลืมสติกลุ่มอกุศลทำกลุ่มเผล่เลือทั้งหลายให้เราเป็นผู้มีสติมั่นคงกำจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจให้เรานั้นเข้าหาสิ่งที่มีสมาธิคือความตั้งมั่นกำจัดความบอดความหลงความไม่รู้ ทำให้เรามีญาณปัญญาเข้าถึงความจริงแล้วก็ฆ่ากิเลสได้เราเห็นภาพมหากรุณาที่คุณเราเห็นพระพุทธคุณเห็นคําว่าพุทธนะนั่นแหละที่กําจัดภัยของเราทั้งหลายเราก็บอกว่าข้าพเจ้าวันทาพระพุทธเจ้าก็คือนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อคําว่าอะหามาเนี่ยนะอาทระเนี่ยอาทระเนี่ยก็ร เ, ยเรื่อเอื้อเฟื้อ เอื้อเฟือในที่นั้นก็คือเคารพอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเล่นเล่นใช่ไหมล่ะเอื้อเฟื้อเนี่ยหมายความว่าเคารพจริงๆ จ, จริงขนาดไหนจริงแบบว่าไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมาหาักล้านความคิดของตนเอง คือจะมาทําให้กระแสชีวิตของตนเองเนะี่ยออกนอกลู่นอกทางอย่าคำสอนคือมั่นใจในพระเจ้าจริงๆไม่มั่นใจสิ่งอื่นถ้ามองอย่างนี้ว่าเ อ, อ้อชาพจน์มีสิ่งเคารพเยอะไหมยเยอะไหมเยอะเยอะหมดเลยนะสังเกตดูนะใช่ไหมล่ะขับรถไปเจอสารประภูมิว่างไรต่อว่างไอไม่เชื่ออย่ารอบลูไปแล้วทันเนี้ไปแล้วไ ป, วไปใช่ไหมล่ะ พอมาที่โรงเรียนไปเสร็จปุ๊บ ก, ก็ยื่นมือไปให้ผู้จัดการโรงเรียนช่วยดูหน่อยซุกช่วงนี้ดวงไม่ค่อยเป็นไงเคยยื่นไหมไม่เคยนะสึกช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีอันนี้ถือว่าเคารพพระพุทธเจ้าแบบเ อ, อเื้อเฟื้อหรือไม่เ อ, อเื้อเฟื้อไม่เคารพแบบจริงจังเรายังมีสิ่งอื่นนะที่เราเคารพอยู่นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอิเอาดูบทที่สอง ทำโมดูที่ส่วนดูที่สวดสวไม่ค่อยพาอกันเลยเนี่ยนี่นะพระเจ้าบอกว่าถ้าปรารถนาอยากจะมีศรัทธานี่นะหนึ่งให้เข้าใกล้คบหาบุคคลที่มีศรัทธานะสองหลีกท่างบุคคลที่ไม่มีศรัทธา สามฟังเรื่องราวที่จะเป็นเหตุทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพระราตนตรายใช่ไหมล่ะทีนี้พออามามาฟังพวกเราสวดเนี่ยอามาจะหมดศรัทธา น, นั่อมันสวดเหมือนไม่มีศรัทธาจะสวดเนี่ยอาลองตั้งใจสวดให้มันให้อามาเกิดอาจหาร่าเริงในพระราตนตรายหนึ่งสองสาม อา้าตรงนี้นะเออฟังอย่างนี้คอยช่วยพอจะมีศรัทธาว่าคืออย่างนี้ยังไงยังไงก็ถ้าเรามีศรัทธาน้อยก็พยายามเพิ่มไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นมากๆเพราะอะไรเพราะจะได้ไม่ทำลายศรัทธาคนอื่นที่มีอยู่แล้วนะดีไหมเออช่วยกันประครับประคองศรัทธา เราจะได้กลายเป็นบอกว่าเออคบหาบุคคลผู้มีศรัทธามันม่นคงมั่นคงในบรรดาธนไตรให้สังเกตดูนะว่าเออเวลาเราสวดกันเนี่ยบางทีคําภาษาบาลีที่เราก็สวดกันยังไม่ค่อยถูกก็มีเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเพราะพวกเรามาอยู่ในบรรดาครูด้วยกันนักเรียนก็ไม่เห็นพวกเราถ้านักเรียนเห็นพวกเราบางทีเขาจะมองว่าเงี้ยทำไมครูอ่านภาษาบาลีไม่ค่อยถูกนะเพราะบางทีนักเรียนก็อาจจะอ่านได้ดีกว่าเราเนาะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวพออบรมผ่านไปตอนนี้สบายแล้วใช่ดีนี่ไม่มีนักเรียนมานั่งฟังอยู่ด้วยเราก็สบายตรงนี้ก็คือว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาสว่างรุ่งเรืองประดุจ ด, ดวงปะัะทีพตรงนี้แหละพระธรรมกาวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือเมตตากรุณามุทิตาเวขาหรือศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้แหละ ถ้าทําเหล่านี้ถ้าสามารถเอามาประชุมในกระแสชีวิตของใครได้ก็ประดุดดังจุดประทีปในกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นได้แล้วทีนี้หวังว่านิตั้งอัธยาศายตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราที่มาฝึกในการที่จะมาอบรมกันในครั้งเนี้ยหวังว่าครูทุกท่านทูครูทุกคนเนี่ยนะ คงจะได้จุดประเทีบคือพระศัทธรรมเนี่ยติดที่ใจของเราหรือที่กระแสชีวิตของเราได้กันทุกคนนะแล้วก็ประคับประคองประเทียบคือแสงแห่งพระธรรมเหล่านี้อย่าให้มันดับแล้วเมื่อมีใครมาได้สัมผัสหรือเข้าใกล้กระแสชีวิตของเราเขาก็จักได้พลอยได้แสงสว่างกลิ่นไอของพระธรรมเช่นกลิ่นไอของเมตตาคือมีความรักความปรารถนาดีละเอื้อทอน กินไอของการุณามีความสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์ได้ยากกินไอของผุทตาคือพรอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือไม่ลักเขาได้ดีอย่างแท้จริงกินไอของอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางในสถานะที่เราไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลอื่นได้เป็นต้นใช่ไหมหล่ะกระแสะชีวิตนี้จุดเทียนคือพระรัตนตรัยคือพระมิหารธรรมติด แสงสว่างเหล่านี้มันจะสามารถไปจุดให้กับบุคคลที่เข้ามาสัมผัสหรือใกล้ชิดเราได้ทีนี้พระธรรมของพระาศาสดาเนี่ยท่านจำแนกเป็นมรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้าอันนี้คือโรกุตระเห็น ไ, ไหมตัวโรกุตระธรรมมีอยู่เก้าอริยามรมีสี่อริยผลมีสี่เป็นแปดนะ นิพพานอีกหนึ่งก็เป็นเก้านี่คือเป็นตัวโรกุตตละและส่วนใดในที่นี้ส่วนใดนี่หมายถึงพระปริยัติธรรมเนี่ยสิ่งที่กำลังมาฟังกันอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นคำสอนคือส่วนใดตัวนี้แหละเมื่อจับประเด็นคำสอนได้ชัดปฏิบัติตามคำสอนได้ถูกต้อง คำสอนเหล่านี้มาประชุมในกระแสะชีวิตของเราก็จะคัดกรองกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเพื่อจะได้เดินตามแนวแห่งโลคุตระธรรมได้ถูกเขาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปตินั่นเองเราจะได้ประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลคุตระได้ถูกหรือปฏิบัติธรรมได้ถูกหลักการปฏิบททัติธรรมได้ถูกหลักก็คือจะได้พุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์ได้ชัดตรงนี้ก็เลยมาบอกว่าส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลคุตระ ข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่คือใครแต่ละบุคคลเนี่ยนะวันทาคืออะไรก็คือเคารพนี่แหละไหว้ด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยใจไหว้ด้วยกายวาจาหรือด้วยใจคําว่าไหว้เนี่ยข้าพเจ้าวันทาเนี่ยวันทาทางกายทาั้งวาจาหรือทั้งใจทั้งไหนเอาทั้งหมดนั่นแหละ เอาทั้งหมดนั่นแหละนะวันทาเนี่ยนอบน้อมเนี่ยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อนี่คืออะไรทาว่าเอื้อเฟื้อเนี่ยอาธะระเนี่ยอาทรเนี่ยอาธรก็าแปลว่าเอื้อเฟื้อแปลว่าอะไรเอื้อเฟื้อเนี่ยคือเคารพแบบจริงจังหรือไม่จริงจังเออเคารพแบบจริงจังเนี่ยเขาเรียกเอื้อเฟื้อ ไม่ใช่เคารพเล่นๆเช่นกายเคารพวาจาไม่เคารพห่วงพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้กายวาจาเคารพแต่ใจไม่เคารพคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้สมมติเราสวดมนต์นะอิติปิโสภะควะอะรหังสัมมานี่นะใจกันนะึกในใจเมื่อไรมันจะเอาเงินมาทวงคืนเราสัทีเนี่ยนะสมมติมีคนยุ่งอันนี้เรียกว่าเคารพไหม หรือคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยเคยเป็นไหมละ่ะสวดค่องแต่ปากแต่ใจไม่ยอมสวดน่ะเคยเป็นไหมละ่ะเนี่เยเขาเรียกไม่เอื้อเฟื้อนี่ไม่เอื้อเฟื้อหรือหรือในรายละเอียดเปนเยอะนะคำว่าไม่อื้อเฟือเนี่ยเดี๋ยวไปตามรายละเอียดที่ดูว่าไม่เอื้อเฟือเนี่ยเขาเอาแค่ไหนไม่เอื้อเฟือจริงๆเนี่ยหมายความว่าไม่รู้เขารับพระราตดํารอย่างไม่รู้เรื่อง อันนี้ก็เรียกไม่อื้อเฟือด้วยอาดูบทที่สามต่อเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวอ่านยังไงหนึ่งสองสาม ตรงนี้มยายะว่าสังโคสุเคโตพยาติเคตสั ญ, ญิยโตโยเดตสันโตสุขตานนโพตโกโลลาปิโนโอริโยสุเมดาโสวันดาหามิสังคังอาหมาเดเรณตังบอกว่าพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย ทีนี้คําว่าพระสงฆ์เนี่ยเวลาเราน้อมถวายของแด่สงเนี่ยตอนเช้านะเรามาใส่บาตรแด่สงแต่คําว่าใส่บาตรแด่สงเนี่ยสงปู่เป็นตัวแทนเนะน้อมถึงอริยสง์นะให้น้อมถึงอริยสงเนะทีนี้พอน้อมอย่างเนี้ยเหมือน เหมือนที่เขาบอกว่าทูตใช่ไหมเอกอัคราชทูตของอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตของจีนประจำประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นของจีนประจำประเทศไทยก็คือว่าเป็นตัวแทนของประชากรพันกว่าล้านเียถ้ามีการก็สองร้อยกว่าล้านไอเนี้ยนี่ก็เหมือนการสงที่มารับบาทเป็นต้นหรือสมเณนเป็นต้นอันนี้เป็นสังขะ เป็นตัวแทนของสงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่านาบุญอันดีทั้งหลายทีนี้พอเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่านาบุญอันดีทั้งหลายเบเสร็จเราน้อมกุศลและเจรนาคือความตั้งใจไอความจงใจความจัดแจงหรือตั้งใจของเราเนี่แหละเจตจำนงของเราแหละความมุ่งหมายของเราตัวนั้นมันเหมือนเมล็ดพืชถ้าเราตั้งใจมาก ปริมาณของความตั้งใจปริมาณของความคิดของเราที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยก็เหมือนเราหว่านเมล็ดพืชลงในเนื้อนาบุญคือพระรตนตรัยนั้นถามว่าเราหว่านได้มากแค่ไหนมันเหมือนว่าเอาเราจะไปเพาะปลูกเนี่ยเราจะไปเพาะปลูกเนี่ยเรามีพื้นนาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่คนบางคนขี้เกียจหยิบไม่แค่เม็ดสองเม็ดแล้วก็โยนแปะแล้วก็เดินหนีไป ถามว่าเขาจักได้ผลผลิตมากมายได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อเราเห็นเนื้อนาบุญกล่าวคืออริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีตัวแทนมาปรากฏเฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วมนสิการบอกว่าเป็นบุญยาลาบอันประเสริฐเป็นลาบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอเราจะหว่านเมล็ดของกุศลเจตนาลงในเนื้อนาบุญกล่าวคือพระราชนไตรัยนี้อย่างยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ก็หว่านตั้งใจ ทำเม็ดกุศลเจตนาให้เกิดขึ้นทั้งก่อนทําขนาดทำและหลังทําอย่างกว้างใหญ่ไพศาลทําได้ไหมเล่าถ้าทําลักษณะอย่างนี้กุศลจะยิ่งใหญ่ไหมนี่เขา เ, เขาทำอย่างนี้นี่ก็เหมือนการว่าพระสง์เป็นนาบุญันยิ่งใหญ่กว่านาบุญันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานพระริยสองเนี่ยท่านได้สัมผัสพระนิพพานคือสภาพที่ดับว่าจทุกข์ ตัดสรูตามพระสุคตก็คือตัดสรูตามพระพุเจ้าก็แปลว่าฝึกตามพระพุทธเจ้าจนบริบูรณ์แล้วประเสริฐแล้วเป็นผู้รักกิเลสความกำหนัดความยินดีอะไรทําให้เราโลเลกิเลสทั้งเกตดูไหมชีวิตโลเลไหมทุกวันนี้ชีวิตเราโลเลไหมที่โลเลนั้นเพราะเรามีกิเลสเอ้า ถามหน่อยโลเลในการเดินทางโลเลหรือไม่โลเลเดินทางโลเลไหมเดี๋ยวอยากไปหรือไม่อยากไปเนี่ยเนี่ยไปก็อยากจะแวะเนี่ยเนี่ยเอาโลเลในเครื่องประดับโลเลไหมเดี๋ยวจะใส่อย่างนั้นเดยจะแต่งอย่างนี้เอาโลเลในเสื้อผ้าโลเลไหมก็โลเลใช่ไหมโลเลในเสื้อผ้าด้วยโลเลในอาหารโลเลไหมเนี่ยกิเลสเนี่ย อาผู้หญิงถามผู้หญิงหน่อยโลเลนในบุรุษนั่นไม่เลยนี่ไงถ้าผู้ชายก็นี่ไงแต่พระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านลักกิเลสเครื่องโลเลเหล่า น, นี้ได้แล้วนี่ไงท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญอย่างพวกเราต้องการจะฝึก ออกจากความเป็นผู้โลเลเข้าถึงความเป็นผู้ไม่โลเลก็คือต้องการกระชากไอ้กิเลสที่มันเหตุรเห็นความโลเลที่จริงพวกเราเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนโลเลนะแต่กิเลสในใจนี่แหละทาให้เราโลเลพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่น่าเกลียดอะไรนะแต่กิเลสในใจนี่แหละมันน่าเกลียดใช่ไหมล่ะถ้าไปบอกดวเราน่าเกลียดเราจะโกรธไหมถ้าบอกว่าเราโลเลแล้ว เราจะโกรธไหมโกรธแต่บอกว่าฉันไม่ใช่โลเลหรอกแต่กิเลสในใจฉันนะ่ะโลเลไอ้ทั้งนี้ยุ่งนะทั้งนี้งานนี้ทั้งนั้นนะ่ะกลับไปแล้วก็ไปบอกสามีบอกว่าจริงๆอ่ะฉันไม่ใช่โลเลนะไอ <c oughs> ้กิเลสในใจมันทำให้ฉันโลเลฉะนั้นคนอย่ากโกรธฉันเลยคุณจะโกรกกิเลสฉันเธอ <c oughs> ถ้าอย่างนี้เราจะพ้นผิดไหม <c oughs> พ้นผิดนะ อาจจะเกิดถ้าคนเขารู้ทันเนี่ยเอา้าไม่เป็นไรหรอกในเมื่อกิเลสในใจของคุณโลเลเดี๋ยวฉันจะจัดการกับคุณนั่นแหละเพราะอะไรเพราะกิเลสมันฝังในกระแสะชีวิตของคุณนี่ย่ยงไว้เงี้ยไปย่งอีกแล้วหลบไม่ออกอีกแล้วงั้นจริงๆก็คือกิเลสนี่แหละเป็นเครื่องทำให้สัตว์โลกโลเลงั้นต่อไป ด้วยการเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงกำจัดความโลเลในกระแสชีวิตก่าวคือกิเลสได้โดยทันธุนะตั้งอัธยาศัยอย่างนั้นเนต่อไปจะได้ไม่ปุณนู้โลเลอีกต่อไปตรงนี้ก็คือว่าเป็นพระเริยเจ้ามีปัญญาดีฉะนั้นคนที่มีปัญญาดีมีปัญญาในการกำจัดกิเลสได้ ปหารกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาจะฝึกตนเองจากบุถุชนเป็นภระรยาเนี่ยแต่พระรยาเจ้าทั้งหลายท่านมีปัญญาดีปัญญาดีตรงนั้นก็คือการจัดความโรคกฎหลงเป็นต้นเหล่านี้ในกระแสชีวิตของตอนเองเข้าถึงความเป็นผู้ไม่โลเลตัดกิเลสเป็นเครื่องโลเลเป็นพระรยาเจ้าเป็นมีปัญญาดีข้าพเจ้าก็วันทาไหว้พระสอ์หมู่นั้นด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อก็คือเคารพอย่างจริงจัง บุใดที่ข้าพเจ้าพูว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามวัตถุสามก็คือพุทธรัตนธรรมรัตน์และกษังรรัตน์ก็คือคําว่ารัตนะเขาเรียกวัตถุสามใช่ไหวัตถุที่หนึ่งคือคือพุทธรัตนะวัตถุที่สองคือธรรมรัตนะวัตถุที่สามคือสังขรัตน์ฉะนั้นคําว่าบรรจงรัตนะ หรือบรรจงรักก็เลยแกว่าข้าพเจ้าจาักบรรจงรักษาพระรัตนตรัยให้พระรัตนตรัยนั้นมาประชมอยู่ในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าและจะไม่ให้พระรัตนตรัยออกไปจากใจของข้าพเจ้าหรือกระแสชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างนี้เขาเรียกบรรจงรักเข้าใจว่าบอกสอนที่ไหนสอนที่โรงเรียนบรรจงรัก บรรจงยังไงอ๋อบรรจงรักษาลัตนะแล้วได้อะไรก็าไม่รู้เขาว่าอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็คือรักษาอะไรเนี่ยใช่รักษาความดีไหมถ้ามีความโลเลอยู่ในใจโลเลในการเดินทางโลเลในอาหารโลเลในเครื่องต้องหม่มโลเลในเครื่องประดับโลเลในบุรุษโลเลในสตรีหรือโลเลในสิ่งต่างๆไปต้นอันนั้นก็แปลว่าไม่มีรัตนะอยู่ในใจ ใช่ไหมล่กการไม่มีรัตนานี่เสียหายหรือได้ดีเสียหายใ น, นเนี่ยพูดอย่างเงี้ยนะบุญใดที่ข้าพเจ้าว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรายอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทาแล้วเป็นอย่างยิ่งกระทาแล้วเป็นอย่างยิ่งแปลว่าเขาได้กักทําการนอบน้อมบูชาทั้งกายวาจาและใจอย่างยิ่งแล้ว เขาจึงตั้งอัธยาศาัยขออุปัธวาทั้งหลายจงอย่างีแก่ข้าพเจ้าคำว่าขอในที่นี้แปลว่าอะไรรไหมท่านตั้งอัธยาศัยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเริ่มฝึกตนเองอย่างตั้งมัน่นจะให้พระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทางกระแสชีวิตเอาเดี๋ยวต่อไปนะทำความเข้าใจของคำว่าสารณะสารณะ พุทธรัตนะเนี่ยรัตนะเนี่ยก็คือสารณะเนี่ยคําว่าสารณะเนี่ยมีคําว่าพุทธรัตนะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังขังสารนังขะฉามิเออสารณะเนี่ยเขาแปลว่าเป็นเครื่องกําจัดภัยก็ได้นะมีอยู่สี่ความหมาย คำว่าสารณานะเนี่ยมาจากคาว่าสระาธาตุลงยุ ป, ปัจใจเดี๋ ย, ยนะี้ยัยอาเทศยุปเป็นอนนาก็แปลงน่ น, นหนูกลายเป็นน่นอนเนเนี่ยนะก็เรียกว่าสารณะก็สําเร็จรูปเป็นสารณะไปทีนี้ในคำคำว่าสารณะเขาให้สี่ความหมายนะหนึ่งมาจากคาว่าวัฏทะเขาแปลว่าการฆ่าการฆ่าสองขหแปลว่าที่พักอาศัย สามก็คือรักขิตะหรือรักขิดเนี่ยแปลว่าสิ่งป้องสิ่งปกป้องคุ้มครองหรือที่พึ่งรักขณะที่สี่ก็การรักษาคุ้มครองสาระในที่นี้เนี่ยในไตรสารณคมเนี่ยพุทธังสารนางขจามิธรรมังสารนังขจามีสังขังสรนางขจามีในนี้ยิ่งหมายว่าสิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง แสดงนะสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองนั่นความหมายหนึ่งสิ่งที่เป็นที่พึ่งนี่ความหมายหนึ่งประการที่สามว่าสิ่งที่เบียดเบียนขจัดออกนี่ความหมายสารณะนะส่วนในมัชฌิมานิกายท่านใช้คําว่าสารณะท่าที่ว่าเบียดเบียนก็ได้ตรงนี้ก็เลยบอกว่าธรรมชาติใดนะ ย่อมเบียดเบียนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสารณะธรรมชาติที่ชื่อว่าสารณะเพราะเบียดเบียนก็คือย่อมนําออกโดยไม่มีเหลือด้วงไัยก็คือหมายความว่าสารณะเนี้จะนําอะไรออกก็คือนําซึ่งไผ่พยันอันตรายออกจากกระแสะชีวิตนําความหวาดเสด้งนําความทุกนําความลําบากแล้วก็นําทุกคติ คือความเศร้าหมองทั้งสิ้นน่ะออกไปด้วยกิริยาที่ถึงสารา น, านั้นเหตุ น, นั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสารณะที่แท้จริงสรุปแล้วก็คือว่าบุคคลใดเข้าถึงสารณะที่แท้จริงบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่มีภัยก็จะพ้นจากเวรภัยทั้งหลายบุคคลนั้นก็จะพ้นจากความหวาดสะดุง้งบุคคลนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์กายและทุกข์ใจบุคคลนั้นก็จะพ้นจากความลำบากและบุคคลนั้นจะพ้นจากทุคติ คือเครื่องเศ้าหมองด้วยอะไรด้วยกิริยาที่น้อมเข้าถึงสารณะนั้นน้อมเข้าถึงสารณะนั้นอย่างแท้จริงเนอะตรงนี้ก็คือว่าเออภัยได้แก่อะไรเนี่ยอะไรเป็นภัยของพวกเราในชั้นคำสอนจริ ง, รงๆเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเออการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าเป็นภัยไหมเป็นไม่เป็นทมทุกวันนี้ชีวิตมีภัยไหม ต้องประสอบอุทกภัไยไหมวาตะภัยอักขีภัยโหนี่จนโจรภัยโจรผู้ร้ายไหมราชภัยเจอบ้างไหมภัยจากทางราชการเนี่ยเจอบ้างไหมภาษีเริ่มเก็บแพงขึ้นต่อไปเดียเด๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ร้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพ้นภัยใช่ไหม พอเขาจะมาเก็บภาษีเราก็จเจริญทานกุศลสบายเลยดีไม่ดีงั้นคาว่าภัยก็คือได้แก่ภัยในวัตฏะไอ้วาดสะดุ้งได้แก่ความถามว่าเวลาวาดสะดุ้งเนี่ยมันสะดุ้งที่ไหนจิตใช่ไหมทุกวันนี้วาดสะดุ้งไหมกลัวไหมวาดสะดุ้งไหมว่ากลัวว่าเราจะเป็นโรครายกลัวไหม กลัวว่าเราจะเกิดภัยพิบัติเอาท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าแผ่นดินเกิดกระดิกที่ลพบุรีเนี่ยเอาเท่าไหร่ดีเจ็ดจุดแปดลิลตรไหวไหมเชื่อภัยไ้มเนี่ยนี่ไงเพราะไม่มีสรรนะเอางี้ เราไปทําประกันภัยกันไว้ที่ไหนบริษัทอะไรเอาทํามันกระดิกตรองลบเรียสัก 8.9 ลิตรไหวไหมไม่ปลอดภัยหรอกงั้นที่วันนี้พูดเรื่องพรราราธนาไตรปราถนาไห้พวกเรามาทําประกันภัยกับพรราราธนาไตรปลอดภัยกับบริษัทประกันภัยทั้งโลกใช่ไหมโลก พรบริษัทประกันภัยเหล่านั้นน่ะเห็นไหมตอนเกิดสึนาะมิเนี่ยของเอไอเอเนี่ยซุดเลยต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมไปไม่เป็นเลยเนะี่ยพังขนาดกระดิกแค่นั้นนี่ยถ้าลองกระดิกตั้งประเทศเนี่ยไม่รอดหรอกบริษัทไหนก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมลูกให้ปลอดภัยหรอกเพราะเราไปไปทําไปประกรันภัยไปนอกฉะนั้นวันนี้เราหันมาจดทะเบียนขึ้น ทำประกันภัยกับพระรัตนตรัยดีไหมเดี๋ยวให้เนรรถเป็นคนนํานี่เวลาเนรรถเขาจดประกันภัยเรียบร้อยเลยสบายแล้วใช่ไหมละ่ะงั้นภัยความหวาดสะดุ้งนะทุกก็ได้กแก่ทุกกายนะทุกขติก็คือความเศร้าหมองทุกขติทั้งหมดที่นับเนื่องอยู่ในออทุกขติภูมินะการไปเกิดเป็นสัตว์นรกการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายในความเศร้าหมองในทุกขติ เป็นทั้งความเบียดเบียนและการเข้าไปทําให้เดือดร้อนเป็นต้นด้วยสรุปความว่าพุทธะธรรมะสังฆะเนี่ยนะพุทธะเป็นสารณะเพราะเบียดเบียนกําจัดออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายโดยการยางสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์เช่นสอนให้อยู่ในไหนพระเจ้าสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาใช่ไหมก็เลยห้ามจากความ พุทธะศีลสมาธิปัญญาเป็นประโยชน์ส่วนการไม่มีศีลการไม่มีสมาธิการไม่มีปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์พ ha mm ุทธเจ้าก็ให้เรากลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หันเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลลักษณะนี้เขาเรียกว่าสารณะก็คือเบียดเบียนความไม่มีศีลของเราออกไปเบียดเบียนความไม่มีสมาธิเบียดเบียนความไม่มีปัญญาของเราออกไปให้เราทั้งหลายกลับเข้ามาหาสิ่งที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญา ความไม่มีศรัทธาเป็นภัยนะฉะนั้นพระเจ้าก็กาจัดความไม่มีศรัทธาความไม่มีความเพียรความหลงลืมสติความฟาุ้งซ่านแล้วก็ความมืดบอดให้กลาบเข้ามาหาสิ่งที่มีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรพยายามในการที่จะยังกุศลธรรมให้เจริญขึ้นมีสติตั้งมั่นมีสมาธิอย่างมั่นคงมีปัญญาในการรอบรู้ตามความเป็นจริงนี่พระเจ้ากําจัดภัยไงที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อเรา ได้สารณะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็กําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปนี่ะพุทธะจึงกำจัดภัยกัเราธรรมะก็เบียดเบียนกําจัดออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยการยางสัตว์ทั้งหลายให้พานพ้นจากกันดานคือตอนเนี้ยเออท่านพระมหากรีน่าที่ท่านพ้นจากกันดานนะที่เราเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพ้นจากกันดานคือพบท่านไม่ต้องเวียนว่ายตายกิดแต่พวกเราเนี่ย ลำบากกันเยอะนเนี่ยเนี่ยยังจะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดใช่ไหล่ะแต่ถ้ามีสาระแล้วจะมีเครื่องกาจัดภัยที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏจุกได้ส่วนสัง้าเป็นสาระก็กาจัดออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับผลซึ่งภัยบุญตรงนี้ก็ในความหมายตรงนี้ก็คืออ้ากความหมายหนึ่ง คำว่าคัดฉามิสารนังคัดฉามิใครเข้าวัดมานานยกมือขึ้นอ้าวที่ว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าเข้าวัดมาจนช่ำชองเนี่ยยอมนิดเข้าวัดมานานยังอ้าวคัดฉามิแปลว่าอะไรฮะ เวลาเราสวดมนต์เราจะว่อาอะไรพุทธังสระนังอะไรเนะยพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิคัจฉามิก็แปลว่าเอาเป็นกริยามาจากธรมะธาตุนะธรรมะก็แปลว่าไปแปลว่าถึง คำว่าคัตฉามิในสาสนาขมแปลว่ารู้แปลว่าได้ด้วยนะฉะนั้นคำว่าคัตฉามิแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงนะนี่แสดงถึงกิริยาที่น้อมเข้าหาซึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปแสวงหาไขายคว้าเอามาเป็นวิทึงในะชนิดอิทธิปฏิหารหรือดนบันดาลไม่ใช่ แต่เป็นการน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาเนี่ยเขาทั้งเจ ด, ด้นะว่าคัจฉามีเนี่ยเป็นการน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติก็คือไปศึกษาไปฟังไปเรียนหรือปฏิบัติเพื่อจะให้เห็นให้ความเห็นที่ถูกต้อง นี่แปลว่าน้อมเข้าไปอะไรอย่างพวกเราเนี่ยระบอกพุทธทงางสารังขะฉามิเขาตั้งอัธยาสัยว่าเราจะน้อมเข้าไปศึกษาเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจน้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามปฏิบัติตามพุทธโอวาทหรือน้อมเข้าไปศึกษาน้อมเข้าไปาาไ ป, าปฏิบัติตามความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเอาเพื่ออะไรคําว่าคัจฉามิเนี่ยน้อมขึ้นน้อมเข้าไปศึกษาน้อมเข้าไปปฏิบัติตามความตรัสรู้หรือตามพุทธโอวาทเพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมลนะ่ะถึงจะเรียกว่าคัจฉามิถ้า กิริยาที่น้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทเพื่อเป้าหมายคือดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าคัตฉามิคำว่าคัตฉามิแปลว่ารู้และเข้าใจ ห, หมายความลึกลึกอย่างยิ่งก็ ค, คือแสดงการเข้าถึงซึ่งเป็นผลของการศึกษาปฏิบัติและได้รับผลของการศึกษาปฏิบัติก็รู้และเข้าใจด้วยตนเองว่า พุทธะธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่งเพื่อความพ้นภัยและเมื่อพ้นภัยก็จะได้ดับพัฏทุก์ได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เลยได้ความหมายว่าโอ้นี่ไงสระาโอ้การไปการถึงการรู้การเข้าใจเรียกว่าพุทธะธรรมะสังฆะเป็นสภาวะนะเป็นสระเป็นที่พึ่งกำจัดภัยก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาปฏิบัติตามพระสัทธรรม ด้วยความหักเพียนจนได้รับผลของการปฏิบัติดูตรงไหนกิเลสคือราคาโทสาโมหะกิเลสนะี่ยคือคือราคาความกำหนัดโทสาความโกรธโมหะความมัวเมาลุ่มหลงระ ง, งับไปตามลำดับสิ้นกิเลสได้เท่าไหร่ก็สิ้นความสะดุ้งหวดัดกลัวและความทุกข์ต่างๆได้เท่านั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรเนี่ย ถ้าการเข้าถึงสารณะเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมไอส้สภาบสภาพของกิเลสในใจอ่ะมันถูกถอนลงมันถูกลดลงได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยอันนั้นอ่ะความดับทุกได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการวัดถึงการเข้าถึงสาารณะได้มากเท่านั้นถ้าหากว่ากิเลสในใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้แปลว่าสารณะมันไม่เข้าถึงหรอกมันได้แต่รูปแบบใช่ไหะ เราก็ได้แต่พูดทางแสดงกัจฉามิทำมังแสดงกัจฉามิสังขังสดงกัจฉามิแต่มันไม่ได้เข้าถึงมันไม่ได้ดับความทุกข์ได้จริงเพราะสภาพจิเลสในใจมันยิ่งหนาขึ้นน่ะความต้องการมันมากขึ้นความอยากมันเพิ่มขึ้นความยึดติดความยินดีความเพลิดเพลินมันมากขึ้นความโกรธความเครียดความวิตกกังวลมันเพิ่มขึ้นความบอดความมัวเมาลุ่มหลงความแยกผิดแยกถูกไม่ได้นี่มันมากขึ้น อย่างนี้การเข้าถึงสารณะไม่มีแต่การเข้าถึงสารณะคือเข้าถึงพระพุทธรัตนธรรมรัตนสังขารัตนสภาพของกิเลสในใจมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงลดลงกิเลสลดลงได้มากเท่าไหร่การเข้าถึงสารณะก็ได้มากเท่านั้นพอจะมองเห็นนี่อย่างนี่คำว่าสารณะยากไหมเนี่อันนี้เบื้องต้นนะเนี่ยเบื้องต้น ยากไหมยากแปลกไหมเราสวดกันทุกวันไหมใช่ไหมเราสวดทุกวันนะทีเดียเป็นเบื้องต้นด้วยจริงๆเป็นเบื้องต้นเราควรรู้เด็กๆนี่ควรรู้เลยอย่าว่าแต่พวกเราเลยใช่ไหมล่ะออก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธรัตนธรรมรัตนสังข์ และที่ควรรู้เพราะเฉพาะโรงเรียนนี้ยควรรู้เพราะเป็นโ ร, โรงเรียนบัรจงรัฐใช่ไหมก็รัฐรัตนะก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกัลรัตนะแล้วก็ควรรู้ใช่ไม่มเออรัตนานี่คืออะไรแล้วเป็นสาธรณะได้อย่างไรเป็นเครื่องกำจัดภัยยังไงเป็นที่พึ่งยังไงใช่ไหมควรรู้ไหมเดี๋ยว ก, ก็ถามว่าเออเนี่ยหมายถึงอะไร อ๋อบันจงเป็นชื่อของใครเนี่ยชื่อของใครเนี่ยรัดก็เป็นชื่อน้ำสกุลเอาไปสันที่กันต่อกันก็เลยเรียกว่าบัรจงรัดเออจะกลับเป็นชื่อที่ดีอเออล้วก็จอะให้ได้ความหมายเมื่อเช้าก็ท่านมหาท่านมห า, ท, า, มหาท่านพูดมหาอำนาจนี่นี่ท่นมหาอำนาจพูดตอนนั้นเอ อ, อมาก็บอกว่าถามเนรลด ว่าเอมีพระอยู่รูปหนึ่งที่มีมีพระอยู่รูปนึงบวชพร้อมเมนรถที่อินเดียชื่อนามสกุลเขาอาริยดิเล่นี่ก็เลยตั้งฉายาว่าอาริยาโพธิก็เลยบอกเออชื่อนี่ประเสริฐ จ, จริงๆนะท่านมหาก็เลยยกว่าเออในสมัยขั้งพุทธกาลนั้นะก็มีคนคนหนึ่งนะชื่อว่าอาริยะ แต่มีอาชีพตกปลาคาถ์ทุกวันไอ้ชื่ออริย์เห็นไหมว่าบางทีชื่อกับการกระทํามันไม่ค่อยสอดคล้องกันไอ้ตรงนี้ก็คําว่ารัตนะเนี่ยชื่อดีอยู่แล้วตอนนี้ ก, ก, ก็เอาความหมายเอาศัพท์ที่ดีอยู่แล้วนี่แหละเอามาใช้เป็นประโยชน์นะในการที่จะขับเน้นให้เห็นคุณงของวัตนาไตรแล้วจะได้ น้อมนํามาในการที่จะ ป, ปฏิบัตินี่นะตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตุมเหหีกิจจางอาตะปังอักขาตาโรดาถาคตาปฏิปานาประโมคขันติวชายิโนมารพันนาวเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเองเถิดตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกทางอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นการเพียรพยายามทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราต้องเพียรเองนะพระพุทธเจ้าบอกทางบอกข้อปฏิบัติ เรียบร้อยเบเสร็จแล้วเนี่ยใครดำเนินไปตามทางที่พระบรมศาสดาบอกไว้บุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นก็จะได้สารณะจะได้ที่พึ่งได้อย่างแท้จริงทีนี้อ้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของการเข้าถึงสารณะเอาประนมมือขึ้นนะและตั้งใจกันหน่อยนะถึงสารณะคมนะการถึงสารณะมีอยู่สี่วิธีนะ เดี๋ยวเราจะเข้าถึงสารณะกันวิธีแรกในวันแรกนีนะตั้งใจนะการเข้าถึงวิธีแรกนเนี่ยเาเรียกว่าอั ต, ตสันนยาตสารณคมคำว่าอั ต, ตสันนญาตสารณคมก็คือการถึงสารณะการถึงร า, รารตะนาไตรเป็นสารณะด้วยการมอบตนมอบตนในที่นั้นก็คือสละตนแด่ร า, รารตะนาไตร เพื่ออะไรเพื่อถอนตนออกจากสังสารทุกเพื่อถอนตนออกจากวัฏทุกนะเพื่อถอนตนเองออกจากอุปสรรคอันตรายก็คือวัฏทุกนั่นแหละการถึงพระรัตนตรัยเพื่อถอนตนเองออกจากสังสารทุกเนี่ยก็ต้องสมาทานนะ่อพร้อมกันหรือยังแล้วอยากจะพ้นจากภัยไหมอยากจะพ้นจากทุกไหมอยากพ้นจากความสะดุ้ง กลัวความหวาดกลัวความหวาดสะดุง้งพ้นอุปสรรคอันตรายนี่อเดี๋ยวว่าตามนอัชะอาทิงกตวาอหังพุทธสะอั ต, ตานังนิยาเทมิอะหังธรรมมัสสะอั ต, ตานังนิยาเทมิ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 ขอมอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมขอมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอคณะสงฆ์โปรดทรงจำข้าพระเจ้าอย่างนี้เถิดสมาทานหรือยงตั้งใจว่าทำไมหน้าเศร้าๆอย่าง <c oughs> นี่ตั้งใจอยา่าง วางไม่ค่อยตื่นเต้นเลยคือข้าพเจ้าก็ททำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยนะตราบเท่าสิ้นชีวิตนี่แปลว่าอะไรเนี่ยมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบ จนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบอันเดียวกันเนะี่ยจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบอันนี้ก็คือสละตนมอบตอนเนี่ยมอบตอนอุทิศวายแด่พระเจ้าตนในที่นี้หมายถึงอัตภาพด้วยชีวิตด้วยเนะทั้งนั้นทั้งหมดแหละอุทิศวายแด่พระธรรมอุทิศวายแด่พระสงฆ์ขอสงโปรดทรงจำงํำข้าพเจ้า ทีนี้การถึงในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอตตะสันนญาตตะสารณคมอตตสันอตตสันนสันญาตะสารณคมเนี่ยก็คือการสละตนการมอบตนถวายอุทิศแด่พระรัตนตรยัยเมื่อกี้ที่เราท่องเนี่ยท่องจริงหรือท่องเล่นจริงไหมจิตน้อมไหมนี่สรุปแล้วว่าทั้ง อัตภาพและร่างกายแล้วก็แสชีวิตของเราเนี่ยแล้วถวายแด่พระเจ้าหรื อ, อยังถวายแล้วถวายแด่พระธรรมหรื อ, อยังถวายแด่พระสงฆ์หรื อ, อยังเมื่อถวายแด่พระเจ้าถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์เบ็รเสร็จแล้วอย่างนี้ตอนนี้ใช่ของเราไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วนะเออตอนนี้ก็เป็นของพระราตนตรัจแล้ว เมื่อเป็นของพระราชนารไรพระราชนารไรจักต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่คิดๆดีรื่าตั้งใจนะอย่างนี้เ็าเรียกการเพราะเราเนี่ยสละตนให้กับกิเลสมานานแล้วถ้าเรื่องกิเลสเนี่ยเรายอมทุ่มทั้งชีวิตนะสังเกตดูนนะเวลาความโลภเขาปรารถนา อยากจะใช้เราเมื่อไรเราก็กลับไปเป็นเรายอมทุ่มตนให้กับกิเลสให้ทำตามอำนาจของกิเลสอยากดูโกโรธใครโอ้โหทำหมดแหละไม่ได้แล้วเนี่ยนักเข้านักเข้าอัตภาพของข้าพเจ้ามันก็จะต้องแก่ตายด้วยลมหายใจขาดแล้วก็ต้องตกมาเป็นทาตุของกิเลสใช่ไหมล่ะ อยากกันนั้นเลยวันนี้เราสละตนถวายพระรัตนตรัยซะเลยดีกว่าแล้วถ้ากิเลสจะมาขอร้องอีกเราจะได้บอกกับกิเลสบอกว่าเราได้สละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านอย่ามาลบกลัวเราอีกเลยแล้วท่านอยมาบงการเราไม่ได้ถ้าเราจะไปทํางานเพื่อท่านเราจะต้องปรึกษาพระรัตนตรัยก่อนดีไหมปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาพระธรรมปรึกษาพระสงฆ์ถ้าพระรัตนตรัยไม่อนุญาต เช่นถ้าเราจะโกรธเนี่ยเราจะปรึกษาใครปรึกษาใครปรึกษาพระรัตนตรยัยถ้าพระรัตนตรัยบอกว่าควรโกรธจรึงค่อยโกรธดีไมด่ดีเออฟังเข้าใจไหมเนี่ยนี่พอไปปรึกษาพทธเจ้าสมมติเราโกรธเนี่ยนะ เราก็รีบปรึกษาพระเจ้าบอกว่าเออตอนนี้มันอยากจะโกรธแล้วขอขอปรึกษาพระรัตนตรัยปรึกษาพระเจ้าหน่อยพระเจ้าก็จะบอกพระธรรมอาะตอนนี้พระพุทธเจ้าเราเข้าปรึกษาโดยตรงไม่ได้ก็ปรึกษาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาบอกว่ายังไงพระสงฆ์ก็จะบอกบอกว่าโกรธอะไรเห็นไหมเออโกรธอะไรเนี่ยโกรธผมเขาใช่ไหม โกดขนใช่ไหมโกดเล็บโกดฟันโกดหนังโกดเนื้อโกดเอ็นโกดกระดูโกดเยื่อในกระดูโกดไตโกดหัวใจโกดตับโกดปอดโกดไส้ใหญ่ไส้น้อยโกรดอาหารใหม่อาหารเก่าหรือโกดมันสมองโกดอะไรเขาแล้วก็ไอ้กีเดก็จะแยกบอกนั่นแหละรวมทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็แยกต่อโกดตาเขาใจ่ไหม โกรธหูใช่ไหมโกรธจมูกใช่ไหมโกรธลิ้นโกรธกายโกรธใจเขาหรือเปล่าหรือโกรธสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือโกรธทำมาลมของเขาโกรธอะไรกันแน่เนี่ยก็แยกแยะไปเรื่อยๆอ๋อยิ่งไม่ควรโกรธเขาอย่างเงี้ยนะนี่เราปรึกษาปรึกษาพระรัตนตรัยก่อนจึงค่อยโกรธเพราะอะไรเพราะเราสละตนเองมอบถวายแด่อุทิศถวายแด่พระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอัตตาสัญญาตาสารณคมอัตตาสัญญาตาสารณคมเป็นการวิธีการมอบตนถวายอวการที่สองตัดปริยนาสารณคมอันนี้การถึงสารณคมด้วยการเป็นผู้มีพะ ร, ราธนไตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าหมายความว่ามีพะราธนาตรัยเป็นหลักนำของชีวิตเป็นที่พึ่งอาตั้งใจบนนมมือหน่อย สมาทานใด้ครอบเลยตั้งใจหรื อ, อย่างต้องตั้งใจนะเวลาเวลาสมาทานก็ตั้งใจจริงๆเลยนะืน้อมน้อมวะตรงนี้เขาเรียกว่าตับปรายนะสารณคมตับปรายณนะก็คือเบื้องหน้ามีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าหมายถึงอะไรมีพระรัตนตรัยเป็นหลักนําชีวิตหรือเป็นหลักชัยนำชีวิต ต่อไปชีวิตของเราจะไม่หลงทางอีกแล้วเราจะมีพระรัตนาไตรนี่แหละนำพาชีวิตไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งจะก้าวไปจะถอยกลับจะโค้งเข้าจะเหยียดออกเนืจะแลตรงจะแลเหลียวจะแลข้างบนหรือแลข้างล่างจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในการจะใช้ผ้าถือภาชนะใดๆก็แล้วแต่ จะมีพระรัตนตรัยเป็นหลักนำชีวิตทุกครั้งตลอดเลยเอาว่าตามนะหลับตาหน่อยดีั้มตั้งใจมุ่งมั่นเลยนะอชะอาทิงกัตวาอะหังพุทธสาปรายโนโหมิอะหังธรรมสะปรายโนโหมิ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 เป็นผู้มีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าขอท่านโปรดทรงจําข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดเราน้อมระลึกอยู่นะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีเป็นผู้มีพระเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นผู้มีพระเจ้าเป็นไป ในเบื้องหน้าเป็นผู้มีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าขอพระสงฆ์ขอท่านโปรดทรงจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตจนกว่าจะมีอัตภาพจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบใช่ไหม น้องบอกโอมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าอันเดียวกันนะโยมเนี่ยอันเดียวกับพุทธังสระนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิสังคังสระนังขฉามิอันเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าตับปรายนาสรณคมเอามือลงได้เลยตรงนี้แหละอรารวะกะยัก ท่านก็ประกาศตนเองอย่างนี้แหละท่านประกาศขอถึงสาธาคมแบบประเภทตับปริยนาสาธาคมเวลาเราสุเวลาได้ยินที่บอกว่าโสหังเวจารตสามีขามาขามังปุราปุรังนามสมมโนสัมพุทธัง ธรรมศาจะสูธรรมมาตังบอกว่าข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้านั้นจากเที่ยวไปจากบ้านนี้สู่บ้านนั้นสู่เมืองนี้จากเมืองนั้นสู่เมืองนี้เพื่อ น, นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเป็นธรรมดีของพระธรรมอธิบายว่าข้าพเจ้านี้นเชื่อแท้ ในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเชื่อแท้ในพระธรรมข้าพเจ้าเชื่อแท้ในพารียสงฆ์ข้าพระองค์นี้เชื่อแท้ในพระรัตนตรยัยถ้ามีกุตกิทุราเที่ยวไปในบ้านน้อยบ้านใหญ่เมืองน้อยและเมืองใหญ่ที่ใดๆก็ตามข้าพระองค์จักผินหน้าถวายนามสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามัสการพระธรรมอันประเสริฐแท้อันประกอบด้วยแก่นสาร ดับสังสารทุกข์ได้อย่างแน่แท้อันนี้แปลว่าอะไรไหมคือจะมีกิจ ใ, ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จับไปเพื่อนมัด ก, การพระราชนตรัยไม่ว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเขาเรียกว่ามีพระราชนตรัยเป็นไปที่เบื้องหน้าหรือมีพระราตนตรัยเป็นหลักนำของชีวิตเออเท่าน้ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะ